ยองขยายมันดังฝ <c oughs> นตกนิดหน่อยพอชุ่มเย็นร้อนอ้าวฝนตกชุกยุงก็ชุมอีกฝนตกหรือไม่ตกยุงก็ชุมอยู่ดี ในนี้เราภาวนานั่งภาวนายุงไม่เจาะยุ่งข้างนอกไม่เจาะแต่ยุ่งข้างในระวังยุ่งข้างในเจาะจะมีวิธีหลบยังไงยุ่งข้างในฮะรม่จะยุ่งข้างในไหมอ่ายุ่งข้างนอกไม่เจาะแต่ยุ่งข้างในเจาะหรือไม่เจาะนะ วันนี้สองทุ่มจะพาสวมดมนต์นี้สองทุ่มพอเราตั้งไว้แล้วเที่ยงคืนนะวันนี้ไม่มีใครต่อรองนะไม่มีเราก็เราก็ต่อรองให้มาแล้วลดเหลือครึ่งหนึ่ง ผ, ผ่นผันแ อ, อพอยิ้มได้ Mm-hmm. <laughs> ใบาจาน ร, รุ่นเก่าแม้แต่สมัยพุทธกาลท่านก็พาอยู่ทั้งคืนนะท่านก็พายอยู่ทั้งคืนพาปฏิบัติทั้งคืนฟังเทศทั้งคืนวิญญาณกเทศทั้งคืนเขามีเรื่องเล่าในอ น, นันต์จูเลกษะดกะมีภาพพื้นเดียว มีผ้าห่มพื้นเดียวสองคนผัวเมียมีผ้านุ่งคนละตัวแต่ผ้าห่มเนี่ยสองคนมีผื้นเดียวใครออกไปข้างนอกคนนั้นก็ห่มผ้าออกไปคนอยู่ข้างในก็ไม่มีผ้าหม่มมีแต่ผ้านุ่งผัวออกไปผัวก็ห่มออกไปเมียออกไปเมียก็ห่มออกไป มีอยู่คือหนึ่งในจูเลกาซาดกเนี่ยนายจูเลเนี่ยสาดกแปลว่าผ้าจูเลกะจูเลกะมีผ้าห่มผืนเดียวอฟังเทศมีความเรื่อมใ ส, ส่ศรัทธาตั้งแต่หัวค่ำฟังเทศพุทธเจ้านะด้วยความเรื่มใ ส, ส่ศรัทธาไม่มีอะไรที่จะอถวายเห็นมีแต่ผ้าผืนเดียวนะผ้าที่ห่มติดตัวผืนเดียวเนี่ย ตัดสินใจยังไม่ได้ถ้าถ้าเราให้ไปเราก็ไม่มีอะไรหม่มภรรยาก็ไม่มีอะไรหม่มสองคนมีผ้าหมพื้นเดียวประไม่ยามตัดสินใจยังไม่ได้ฟังฟังฟังอีกพอไปถึงยามท่ากลางศรัทธาคึกขึ้นมาอีกตัดสินใจยังไม่ได้แค่ผ้าหมพื้นเดียวนะ่ะตัดสินใจถายพุทธเยา้า พอปัดชิมยามยามสุดท้ายนี่ก็แสดงว่าแสดงทําทั้งคืน่ะปัดชิมยามยามสุดท้ายอ้าวเป็นไงก็เป็นกันแหละะขอเอาบุญขอเอาอานิสงคพบหน้าชาติหน้ากันแล้วกันแหละชาตินี้มันทุกข์มันยากมันจนไม่มีอะไรพันกายกับชังมันแหละเอาถวายท่านเลยอถ้าหอมพื้นเดียวห่มสองคนเนี่ย มันรู้สะอาดขนาดไหนแหละถ้าเรามาคิดแบบเรามองมองไปเนี่ยโดยความเลื่อมใสศรัทธาไม่มีลังเกียดเดียวฉันไม่มีอะไรอะไรถวายพุทธเจ้าพอหลังจากถอยพุทธเจ้าเสร็จแล้วชนะชนะใจตัวเองไงชิตังเมชิตังเมชนะแล้วเราชนะแล้วชิตังเมชิตังเมชิตังเ ม, ง เ, มเราชนะแล้วเราชนะแล้วพอดินในหูนั่นน่ะพระเจ้าเป็นดินนั่งฟังเทศอยู่ด้วย พระเจ้าปฎิเดชได้ยินคำนี้ไม่ได้นะอา่า ก, ก, กษัตริย์ได้ยินคำอย่างนี้ไม่ได้เพราะพวกนี้มองเห็นอริศัตรูฆ่าศึกทุกระยะทุกเวลาเพราะได้ยินคำนี้ปพพบนมันเหมือ น, ม, น, ม, น, ม, นมันมีอะไรมาแทงใจท่านชนะอะไรท่านชนะอะไรท่านชนะอะไรชนะอะไรเราชนะความะหนี่ใน ใ, นใจในใจกองข้าพเจ้าได้ถวายผ้านหนึ่งผืนให้กับพระพุทธเจ้า กว่าดีกษัตริย์พระเจเพลินองค์นั้นก็เลยเลื่มไสศรัทธาโอ้เสียสละมีผ้าอยู่พื้นเดียวสองคนผัวเมียเสียสละทําทําทานได้กับพระพุทธเจา้าก็เลยให้ของตอบแทนเยอะแยะเลยให้ของตอบแทนกับนั่นกับนายจุเลกษัตริย์ดกนายมีผ้าห่มพื้นเดียวเนะี่ยเขาเขาบอกว่า ถ้าเริ่มใสศรัท ธ, ธาตั้งแต่ต้นหัวค่ําเนี่ยแล้วก็ถวายไปจะได้อา น, นิสงฆ์มากมากถึงสิบหกเท่าอตั้งแต่เริ่มแรกยามท่ํากลางถ้าเพื่อศรัท ธ, ธาและถวายได้ยามท่ามกลางได้อา น, นิสงฆ์ลดลงมาเหลือแค่แปดเท่า <c oughs> แต่ด้วยเหตุที่ถวายไปยามสุดท้ายแค่คร <c oughs> <c oughs> ับว่าสตามันมัน <c oughs> จางมันบาง อันี้ส่งแค่สี่เท่ า, างั้น <c oughs> ม่ลุกพระเจ้าแผ่นดินประทานอะไรให้บ้างกัมมมบมาลุกกระบะจนร่ำรวยเป็นเศรษฐีขึ้นมานี่อันนี้สองทันตาเห็นอันนี้สงทันตาเห็นนี้มีได้ด้วยด้วยคนอื่นอยากได้บุญร่วมกับเราเขาก็ให้ให้ให้ใ ห, ให้แต่ว่าอันนี้สองในภพหน้าในชาติหน้าเนี่ยโอ้เราไม่ต้องเทียบแล้วยิ่งถวายกับพระพุทธเจ้าโดยแล้วเนี่ย นี่เอามาพูดประกอบเพื่อให้เรารู้ว่าสมัยพุทธกาลก็มีการฟังเทศตลอดทั้งคืนเพราะการอยู่ตลอดคืนไม่ใช่เรื่องหนักหนาสาหัสเป็นเรื่องที่มีมาดั้งเดิมเราอยู่กับหลวงปู่เขียนเนี่ยวันอาสารหาวันวิสาขะวันมาฆะเนี่ยท่านพาอยู่ตลอดทั้งคืนพาอยู่ตลอดทั้งคืนแหละพาเทศพาสวดฟังเทศฟังสวดอยู่นั่นแหละอืม พอตีสี่ตีสี่กว่ากว่าก็พาทาวัดแล้วพาทำวัดเช้าทำวัดเสร็จก็ยังไม่สว่างเต็มที่ถ้าเผื่อใครลืมผ้าครองไว้ที่ที่กุฏิก็กลับไปทันกลับไปทันสลับพระมนะแต่สลับโยมก็เข้าลงครัวต่อเข้าครัวต่อเข้าครัวต่อื อ, ต, อ, อตลอดคืน อยู่เพื่อฝึกอยู่เพื่อทรมานตัวเราร่างกายเรานีเา้เราทรมานกายแต่ด้วยเหตุที่เราภาวนาด้วยมันก็กระเทือนมาถึงใจเราทรมานกายจะมากระเทือนมาถึงใจเพราะกิเลสเจ้าเจ้าพ่อแม่มันอยู่ที่ใจร่างกายเป็นลูกเป็นหลานของมัน ตัวพ่อตัวแม่แม่ปูย่ย่าตายายมันอยู่ที่ใจคือเจ้าตัญหานั่ยแหละมันอยู่ที่ใจทรมานกายเผามันเร่าร้อนไปถึงมันนะ <c oughs> <c oughs> นั่งภาวนานั่งฟังเทศนั่งสู้เวทนานั่งอยู่นั่นแหละไม่ไม่หลับไม่นอนเนสชิกนั่นแหละแต่เนสชิกแบบมีฟังเทศ แต่พวกเราที่เราไปในสัจชิกัย น, นี้อย่างที่ทราเตาเขาทำเนี่ยเขาก็เดินอยู่กลมนั่งภาวนาเดินอยู่กลมนั่งภาวนาไม่นอนแต่เราอยู่แบบนี้เราอยู่แบบมีกิจกรรมก็าอาศัยหมู่พวกหมู่พวกช่วยพยุงไม่หนักหนาะสาหัสทำไปสังเกตไปได้ความอดทน <c oughs> ได้ความอดได้ความทน ได้อุบายได้วิธีรวมไปถึงได้รับความสงบได้รับความฉลาดได้รับความรอบรู้ได้กำลังใจได้กาลังใจการอดทนต่อสู้สู้ฝ่าฝืนอย่างนี้ไม่ใช่เราทำศัตรูธรรมทำตามเวลานั่งที่ยังไม่เจ็ยบยังไม่ปวดหมดเวลาเอา้าลุกไปแล้ว ลุกไปแล้วเอาเวลาไปฉลุงอะไรก็ไม่รู้แหละทํานู้นทํานี่ลุยช่ยแจกเต็มไปหมดพอนึกได้อีกได้เวลาเข้ามไปแล้วก็นับว่าดีก็ยังนับว่าก็ยังนับว่าดีมันเป็นการให้โอกาสกับตัวเราเองเป็นการให้โอกาสกับตัวเราเองก็นับก็ยังนับว่าดีบางคนไม่คิดถึงเลยบางทีวันทั้งวันไม่มีพุทโธเลยในใจไม่คิดถึงพุทโธเลยอืม ทำวัดเช้าทำวัดเย็นก็ไม่มีไม่มีอะไรเลย <c oughs> เปลือยเปล่าภายใต้อาภรณ์สมวนใหม่เขาพูด <c oughs> เปลือยเปล่าภายใต้อาภรหมายความว่าไม่มีข้อปฏิบัติสลับอบรมบ่มจิตบ่มใจของตัวเองเลยท่านว่าเปลือยเปล่าอไม่มีศีลเป็นอาภร์ไม่มีธรรมเป็นอาภร์เป็นเครื่องประดับประดับประดับใจ กิจใจเปลื่ยเปล่าไม่มีความอดไม่มีความทนไม่มีความฝ่าฝืนไม่ศึกษาไม่ฝ่าฝืนไม่รู้จักเก็บเล็กผสมน้อยไม่รู้จักทําให้เกิดเกิดประสบการณ์มารู้จักต่อสู้ที่เราตั้งใจทําอย่างนี้สิ่งหนึ่งที่เราได้ได้ด้วยกันทุกคนสิ่งนั้นคือ ความอดความทนความตั้งใจอาจจะไม่ได้อาจจะไม่ได้ตั้งใจภาวนาเพราะมันไม่ไปหน้ามาหลังแต่ตั้งใจทนอยู่ให้ตลอดอ่าลองดูสิ<ม>บางคนไม่สักทว่าตั้งใจอยู่ให้ตลอดเป็นไปจิตใจสงบ ก, การตั้งใจภาวนาเป็นไป จิตใจของเราได้รับความสงบได้อุบายได้วิธีได้ความเบาสบายปลอดโปร่งเนี่ยได้ได้รับความอดทนความอดความทนความอดทนนี่เป็นตะบะเป็นตบะบะขันตีประมังตะโปตีติฆาตขันติคือความอดความทนเป็นตะบะอย่างยิ่ง ขันติทีรัศลังกาโรขันติคือความอดทนเป็นเครื่องประดับของนักปราศเราทํางานทําการอะไรทุกอย่างเราทิ้งได้ไหมความอดความทนทิ้งไม่ได้ทํางานทุกอย่างทุกเรื่องงานหนักงานเบางานละเอียดงานหยาบงานอะไรทุกเรื่องทิ้งความอดความทนไม่สําเร็จเพราะฉะนั้นความอดความทนดูแต่คนที่ตั้งใจเรียน ต้องเรียนจนเป็นปรารถเป็นบัณฑิตนจบด็อกเตอร์กีด็อกเตอร์จบปริญญาตรีปริญญาโทรปริญญาเอกเรียนยากลาบากเรียนพระาส่งภาษา ด, ดูสิเพราะฉะนั้นท่านชื่อว่าความอดความทนเป็นเครื่องประดับของนักปราชรถคตินําความสุขมาให้อดทนได้สบายทีหลังอดทนต่อหนาวต่อร้อนต่อเจ็บต่อปวด อดทนต่อหิวต่อกระหายแต่ที่อดทนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คืออดทนต่อความเจ็บใจอดทนต่ออารมณ์วุ่วามที่จะทำให้เราได้ฆ่าแกงคนหดข้ายทนเอาไว้เนี่ยคือความอดความทนอดทนได้สบายชีหลังอดทนได้อดทนอดออม ฝ่าฝืนอดทนทุกขั้นตอนในแม้แต่ในการปฏิบัติธรรมต้องอาศัยความอดความทนอารมณ์ข้างในเราก็เรากมาอดอดดูทนดูทนคลี่คลายทนทิจิรนาทนสังเกตสังกาทนสังวรนทนสำรวมทนระวังทนเหนี่ยวทนรั้งดึงสติดึงวิริยะดึงอุตสาหะ ดึงอะไรต่ไรอาศัยความอดความทนเป็นแรงหนุนทั้งนั้นธรรมะเหล่านี้มันจะเป็นธรรมะเป็นกลุ่มเดียวกันกับสติกับสัมปชัญญะกับวิริยะกับขันติโสรจะจักธรรมะเหล่านี้พอเวลาเราทําอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดผลปรากฏขึ้นมาเราลองมาพิจารณาดูอ่ะอันนี้ก็มีอันนี้ก็มีอันนี้ก็ ม, นนกมีความอดความทนก็มีวิริยะก็มีสติสัมปชัญญะ ฮิริโอตปะมีอยู่ในนี้หมดค<ม>ันติโสระจัคโยวรวมลงอยู่ในนี้หมดเวลาก็ทํางานแล้วมันเหมือนกับพร้อมเพรียงสามมือขี่กันเป็นคุณสมบัติที่เอามาสร้างสร้างสรรค์คุณงามความดีเข้าสู่หัวใจค <c oughs> วามอดความทนพริจากความอดความทนแล้วเหลวหมดเละหมดอ่า ไม่สู้ไม่ทำหนักไม่เอาเบาไม่สู้ไม่อดไม่ทนทนอีกนิดหนึ่งเอาอีกนิดหนึ่งเช่อย่างเรานั่งเภาวนานเราเจ็บปวดจะพลิกจะเปลี่ยนขยับไปขา้างหน้านิดหนึ่งเอาอีกนิยหนึ่ง อ, อีกชนนิดหนึ่งอีกชนนิดหนึ่งนิดอยู่เรื่อยอย่างงี้แ <c oughs> หละสอกมันอีกนิดหน่อยอีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่ง ไม่ยอมพลิกไม่ยอมเปลี่ยนอีกนิดหนึง่งหลอก อ, อยู่อย่างงั้นแนะหะหลอกหลอกกิเลสกิเลสตัวที่มันอยากพลิกอยากเปลี่ยนกิเลสมันยากตัณหามันอยากอเรานั่งนานนานมันยากอยากไม่เจ็บอยากไม่ปวดมอยากไม่เจ็บอยากไม่ปวดพอเรานั่งไปนั่งไปมันรู้สึกเจ็บรู้สึกปวดมันอยาก เราใช้คําว่าอยากอยากไม่เจ็บอยากไม่ปวดตัณหามาันก็มาสวมรอยและมาสวมรอยสวมรอยตัณหาสวมรอยเข้ามาพับอัตตาตัวตนโผล่ขึ้นมาทิฏฐิมณ ะ, ะโผล่ขึ้นมาความถือเนื้อถื อ, ถอตัว <c oughs> อะไรตัวอะไรเนี่ยตามมาเนี่ยเมื่อใดตัณหามันไปแทรก ต, ตอนไหนขณะไหนตอนนั้นจิตของเราก็จะเริ่มแย่แล้วเริ่ม เริ่มเซแล้วเริ่มหันเหทิศทางแล้วไปสู่ทิศทางของกิเลสของตัณหาแล้ว <c oughs> สร้างความอดความทนได้ความเพียรเพียรพยายามกับความอดความทนมันก็ไปด้วยกันกับสติกับสัมผััญญะเนี่ยมันก็ไปด้วยกันกับสมาธิกับปัญญาเนี่ยมันก็ไปด้วยกัน เราไม่มีปัญญาไม่ฝ่าฝืนไม่มองเห็นผลอา น, นิสงส์ว่าเราจะพึงได้อะไรเนี่ยมันไม่ทำแหละมันมองไม่เห็นเพราะฉะนั้นคนฉลาดเนี่ยหาหาหาวิธีการทำบุญได้ง่ายคนฉลาดทำบุญได้ง่ายทนคนโง่เนี่ยทำบุญได้ยากคนฉลาดทำบุญได้ง่ายเพราะอะไรเพราะเขามองทะลุมองทะลุไปถึงผล แต่สำหรับคนโง่แล้วมองไม่ทะลุโอ้ยขี้เกียจงอมืองอตินอยนู่นั้นไม่ทำํำความฉลาดทําให้คนขยันความโง่ทําให้คนขี้เกียจเพราะอะไรเพราะมันมองไม่ทะลุไปถึงผลตั้งใจทําสิ่งนี้สิ่งนี้สิ่งนี้มันมองไม่ทะลุไปถึงผลว่าคืออะไรได้อะไรคือปัญญาเขาสั้นสมาธิเขาสั้นนะความพเพียรความพยายาม การมองการไกลของเขาเนี่ยมันสั้นมันมองไม่เห็นนี่คือความไม่ฉลาดแต่ตรงกันข้ามคนฉลาดเนี่ยเขามองได้เป็นเป็นชั้นชั้นเป็นซ้อนซ้อนซ้อนซ้อนมองได้ทะลุไปเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นมองได้ทีละห้าชั้นสิบชั้นวางแผนล่วงหน้าทีละหชั้นทีละสิบชั้นได้อนี้ได้นี้แล้วเกิดอันนั้นได้นั้นแล้เกิดนั้นเกิดนั้นเกิดอันนั้นจะมาทำอันนี้อันนี้อันนั้นมองวางแผนไปหมด แต่สำหรับคนไม่มีปัญญาคิดไม่ออกทําไม่ได้ก็เลยทําให้งอมืองอตีนั่นแหละเราจะเห็นว่าคนบนโลกเนี่ยด้วยเหตุความโง่ความฉลาดไม่เท่ากันฐานะจึงแตกต่างกันความอยู่ความละเอียดอ่อนของความเป็นอยู่จะแตกต่างกันความมีหน้ามีตายศรัทธาบรรดาศักดิ์จะแตกต่างกัน เพราะความกระตือรือร้อนเนี่ยมันแตก ต, ต่างกันมือนหนูตาทันเทศนั่นคนบางคนสักดิ์ทว่าเกิดมาเป็นคนคนบางคนคิดอยู่ว่าโอ้เขาได้อะไรเราก็พยายามทําให้ได้เหมือนเขาเขามีนู่นเขาพยายามจะมีให้ให้มีเหมือนเขาเขามีอันนี้ก็พยายามจะให้มีเหมือนเขา ได้มีเหมือนเขาได้มีได้ใช้ได้สอยเหมือนเขาแค่นันกพอใจแล้วนี่ก็น่าระ ด, ดีนะาะเยี่ยมแต่คนบางคนอยากมีมากกว่าเขาบางบางคนคนบางคนอยากเป็นเศรษฐีบางคนคนบางคนอยากเป็นมหาเศรษฐีเนี่ยเขาทำห้าชั่วโมงนี่ฟาดไปสิบชั่วโมงเนี่ความกระตอรือรือร้นความที่จะได้จะมีถ้าหากในกจิตใจมันมีอยู่อย่างนี้ ทำงานการข้างนอกมันก็มีความนึกคิดแบบนั้นทำงานการข้างในคือการนั่งภาวนาก็มีความอดความทนมีความมุ่งมุกมานะมีความภาคความเพียรมากกว่าซื่อตรงต่อตัวเองมากกว่าเล็งถึงผลถึงอานิสงส์ที่จะพึงได้มากกว่ามีความขยันหมั่นเพียรรบเรา้า เดียวเวลาห้านาทีสิบนาทีไม่อยากให้เสียห้านาทีสิบนาทีถ้าทำํำนู้นก็ได้น้นทํานี้ก็ได้นี้ทํานั้นก็ได้นั่นไม่เสียไม่อยากเสียเพราะอยากเป็นเสีษถีอยากเป็นมหาเสียถีคนทั้งบ่อนี้คิดไม่เท่ากันคิดไม่เหมือนกันภูมิความสามารถไม่เท่ากันนี่ <c oughs> ความแตกต่างของคนในโลกสรุปลงแล้วก็คือกรรม กรรมที่กระทาไม่เท่ากันไม่เหมือนกันการสังสมคุณงามความดีในจิตก็เช่นเดียวกันความการสังสมความรู้ความฉลาดก็เหมือนกันพบชาติดีพบชาติเลวพบญาตชาติญาพบชาติละเอียดมันก็ไปจากการที่เราสังสมนี่เองจิตเราละเอียดมีปัญญาสังสมได้ข้อดีข้อดีได้ของละเอียดได้ทำบุญให้ฐานก็ได้ทาบุญของดีของดี ได้สร้างสรรค์ก็ได้สร้างสร้างสรรค์สิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกสิ่งที่สูงสิ่งที่ดีสิ่งที่สูงสิ่งที่มีคนนิยมชมเชยยกย่องสิ่งที่มีผลมีอานิสงส์ยิ่งใหญ่เล่งถึงผลเร่งถึงอานิสงส์เป็นเรื่องใหญ่ไม่ใช่ศักดิ์วรัธรรมนี่คนแตกต่างกันเราก็ดูมาที่เราน่แหละเก็บเลขผสมน้อยสังสมอบรมไป ให้ทานเราก็ให้ไ ม, ไม่อดไม่อัน้นให้มากให้น้อยให้ละเอียดให้ประณีตให้ไม่อดไม่อัน้นให้มาตลอดเราไม่อดไม่อัน้นเรื่องการให้ทานขยับมาเรื่องรักษาสินเรามีความสนใจไหมมีความสนใจมากเท่าไหร่เราทราบด้วยตัวของตัวเราเองสินอะไรที่เราขาดที่เราด่างเราเพร้อยอยู่บ่อ ย, อยเนือเนือเราจะแก้ไขยังไง เราจะปรับปรุงแก้ไขหรือเราทําตามจริตนิสัยที่เราที่มันกลายเป็นนิสัยเราไปแล้วการรักษาสิลการปฏิบัติธรรมมองให้ทะลุเพื่ออยากได้อัดได้ทำตั้งหน้าตั้งตาอบรมส่งเสริมตัวเองให้ได้รับความรู้ได้รับความฉลาดให้มีสิลติดตัวให้มีสมาธิติดตัวให้มีปัญญาติดตัวให้ปัญญาเรามีความขยับ เดินหน้าได้ขยับไปข้างหน้าได้เจาะจอยหาโอกาสกับผู้รู้คนนั้นคนนี้องค์นั้นองค์นี้มีความกระตือรือร้อนมีความใคร่ได้ใครม่มีใคร่เป็น <c oughs> สองทุ่มจะพาทำวัดสวดมนต์สวดมนต์ต่อจากทำวัดด้วยสูตรไหนสำคัญสคัญก็จะพาสวดแต่จะไม่พาสวดเจตทำนานหรอกวิธีการสวดเราก็ยังลืมที่เคยบอกนั่นแหละรัศสารทีฆสร ะ, ะ, ส ร, ะสระเสียงสั้นสระเสียงยาวสระสังโยคคือตัวสะกดว่ายมันขาดจับเข้าไป สัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะตัวสะกดไ่วมาขาดเสียงหนักเสียงเบาออกเสียงให้มันดังๆสนอยเสียงที่กระทุงกระแทกเสียงที่กระทุงกระแทก ก็ต้องระวังเสียงเสียงเบาลงหน่อยเสียงที่กลมกลม่อมพยายามทําเสียงให้กลมกลม่อมเราสวดไปแล้วเราจะรู้สึกว่าไพเราะการสวดนี้ก็ทําให้เราสงบนะสงบอยู่อยู่กับการสวดการสวดการตั้งใจสวดสวดบทธรรมใช้จิตสวดใช้ปากใช้ลมสวดเป็นกิริยาเป็นบุญยะกิริยาอย่างหนึ่ง มันเป็นการพัฒนาจิตของเราเองมันเป็นการนึกการคิดมันเป็นการว่าที่เป็นระเบียบเพราะว่าตามที่ท่านท่านเรียบเรียงเอาไว้เราไม่ได้นึกคิดเรื่อยเปื่อยว่าเอาเหมือนอย่างกิเลสมันมั น, ม, น, ม, นมันพาเรานึกเราคิดเราตั้งใจสวดบทนั้นบทนั้นบทนั้นบทนั้นผ่านไปแต่ละบทแต่ละบทมันก็ผ่านได้ไปด้วยความผุดสาพยายาม ผ่านไปด้วยความภาคความเพียรมีผลมีอนนสง์เหมือนุลวปูมั่นทนวารนั่นแค่เราดำริในใจของเราเนี่ยโอ้แค่เราดำริในใจของเรานะ <c oughs> เนี่ยมีอเนสง์แผ่ไปหมื่นจักรวาลส่วนให้ดังๆพอประมาณมีอานุภาพ แผ่ไปแสนจักรวานตะโกนเสียงสุดกูเหมือนอาจารย์จิรวัฒน์ท่านสวดอันนี้สองแผ่ไปแสนโกรธจักรวาลเนี่ยใครมีคนเอามาอ้างว่าเป็นลุงปู่มั่นท่านเขียนเอาไว้คือคือสวดมนเนี่ยสมัยการสวดมนจึงมีอนุภาพมากยิ่งใหญ่ถึงขนาดนั้นเพราะการสวดม น, น่ะ มันเป็นบทธรรมมันเป็นบทธรรมสวดไปแล้วจิตใจได้รับความสงบเทวบุตรเ ท, ทวดาผู้รู้ทั้งหลายเขาได้ยินได้ฟังเขาฟังออกเสียงไพเราะเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างไม่รู้เรื่องก็ไม่เป็นไรก็เหมือนอย่างที่ว่าข้างข่าวมันได้ยินพระสวดสวดมนั่นข้างข่าวจับอยู่ที่ผนังถ้ำได้ยินพระสวดมนั่นมันฟังเคลิ้มไพเราะมันฟังรู้เรื่องหรือเปล่าฮ <c oughs> ะเคลิ้ม ไผ่ราะข้าวห้าร้อยตัวเนี่ยตกลงมาตายไปสวรรค์หมดเลยามันข้าวข้าวอยู่ในถ้ำพระทั้งก็สวดอยู่ในถ้ำเสียงสวดมันไผเราะเอาเสียงสวดเป็นอารมณ์นจนมือหลุดหลุดตกลงมาตายไปสวรรค์กันหมดไปสวรรค์ก็ต้องไปเป็นเทวดานะ่ะไม่ใช่ไปเป็นข้าวอยู่บนสวรรค์ไม่ใช่ไปเป็นเทวดา ความดีของจิตความดีของใจมันเปลี่ยนพบเปลี่ยนภูมิได้เองเหมือนอย่างเหมือนอย่างที่หลวงปู่มั่นท่านพูดถึงว่าท่านภาวนาที่อวตอะไรที่ถ้าอะไรถ้าดอกคําอะไรเนี่ยเห็นสมมณเณรกับผู้หญิงมาบ่อยๆผ่านมาในนิมิตของท่านมีวันหนึ่งท่านกําหนดถามมีอะไรเป็นอะไรไปยังไงมายัางไง จึงมาเดินอยู่อย่างนี้สมณีนกับพี่สาวก็วก็เลยบอกว่า <c oughs> สร้างอะไรสร้างเจดีย์สร้างเจดีย์ยงังไม่เสร็จตายซะก่อนสร้างเจดีย์ยังไม่เสร็จตายซะก่อนจิตก็เลยห่วงอย่างนั้นเกาะอยู่นั้นอ่ะวนไปวนมาหลวงปู่มันท่านก็เลยสอนสอนให้เข้าใจเรื่องอารเรื่องธรรมวเราทําบุญเนี่ยเราไม่ได้ทําเอาเจดีย์เราไม่ทําเอาศาลากุฏิพิหาร เราทำเอาบุญบุญคือคุณภาพของใจประทับที่ใจยินดีพอใจทำให้เกิดความปลื้มปิติอยู่ในใจเราไม่ต้องไปห่วงสิ่งที่เราไปสร้างไปจับไปทำฝังเทศลงปู ม, ม่านเสร็จแล้วเปลี่ยนพบเปลี่ยนภูมิทันทีหลดุดหลุดจากการผูกพันเราดูความเหนียวแน่นของอุปาทานอุปาทานมันยึดอะไรมันไปเป็นอันนั้นอนะ่ะอุปาทาน อุปาทานก็คือตันหามนาหันพายึดยึดอะไรไปเกิดเป็นอนั้นยึดอะไรไปเกิดเป็นอนั้นก็เหมือนอย่างที่เขาว่าคนที่ฝังสมบัติไว้เนี่ยตายไปแล้วไปเป็นงูบ้างเพื่อจะได้เฝ้าทรัพย์ตายไปแล้วไปเป็นหนูบ้างไปเป็นจิ้งจกลูกแก่บ้างเพื่อจะได้อยู่ใกล้ทรัพย์ตัวเองที่ที่ฝังเนยอืพูดไปก็นึกถึงโตทยพรามโตทยพรามฝังทรัพย์อยู่หลังบ้าน บ่วยตายอฟังเอาไว้แล้วไม่บอกลูกนะไม่บอกใครซับแปดสิบโกดไปฟังไว้หลังบ้านไม่บอกใครพอดีตายไปตายไปด้วยความห่วงอนะมาเกิดเป็นลูกสุนัขในบ้านนั้นแหละเนี่ยโตทยพรามเนะ่ะมาเกิดเป็นลูกสุนัขในบ้านนั้นอนะทีนี้พอเริ่มโตเริ่มรู้จักวิ่งรู้จักโตขึ้นมาสมัยมีชีวิตยอยู่ก็ไม่เคยใส่บาตรพุทธิ้า มานอกจากไม่ใส่บาตรแล้วก็ดา่ด า, ด, าด่าพระพุทธเจ้าสิอีกพวกตนีพวกเสด็จทีจะหนีพวกนี้ยอที่พอตายไปแล้วไปเกิดเป็นสุนัข <c oughs> พอเริ่มรู้จักเหา่ารู้จักอะไรพระพุทธเจ้าท่านก็บินตบาดผ่านสุนัขตัวนี้ก็รู้จักวิ่งรู้จั ก, จกหัดเหา่าลก็ไปเหาเ่าพระพุทธเจ้าไม่เหา่าคนใช้มันก็วิ่งไปเพื่อเพื่อที่จะไปจับมาพระพุทธเจ้าท่านก็พูดเปรยให้ได้ยินว่าโอโตัวทิยพราม สมัยมีชีวิตอยู่ไม่เคยทําบุญใส่บาทตายแล้วมาเป็นสุ น, นัข ก, ก็ยังมาเห่ามาด่าเราอยู่เหมือนเดิมสุ น, นัขมันฟังรู้เรื่องตายปุ๊บเกิดปั๊บนี่ความจํามันยังมีอยู่ฟังแล้วมันรู้เรื่องหู ต, ตกเลยไข้เป็นไข้เลยสุ น, นัขลูกสุ น, นัขตัวนั้นอะไข้เลยป่วยไข้เลยลูกสุ น, นัขโตทยพรามเนี่ยมาเป็นลูกหมาโทนอยู่ในบ้านนะทีนี้ ไอ้โตทย ม, มานบซึ่งเป็นลูกชายสืบต่ออยู่อยู่ในบ้านนั้นน่ะพอเห็นลูกสุนัขป่วยผิดปกติก็เลยถามไปใครเห็นว่าหมามันเป็นอะไรไปยังไงบ้างเลยพี่ไอ้คนใช้ก็เลยเล่าให้ฟังว่าเห็นพระสมณะขรมท่านพูดอย่างนงี้ลูกชายได้ยินว่าพระเจ้าว่าพ่อของตัวเองเป็นสุนัขเนะี่ยโอ้ยเครียดขึ้นมาทันทีเลยวิ่งเลี้วไปที่วัดเลย เพื่อที่จะไปต่อว่าพุทธเจ้าเธอย่าเพิ่งเชื่อเราให้เธอพิสูจน์่างนี้ดูก่อนนะว่าพ่อของเธอมาเกิดเป็นสุนัขจริงหรือเปล่าให้เธออาบน้ําเช็ดตัวเนื้อสุนัขให้ดีแล้วก็มีผ้านุ่มวางให้เ้านอนพอรู้สึกว่าเขาคเคลิ้มใล้ใกลมันจะหลับเคลิอมใกล้จะหลับเนี่ยไปกระซิบที่หูพ่อพ่อซับแปดสิบโกดฝังไว้ที่ไหน ลองสังเกตแล้วก็ไปทำตามนี้ถ้าเป็นโตทยพรามจะลุกปุปป๊บปั๊บวิ่งไปเลยไปตะกุยตรงไหนตะกุยเอาไปขุดเลยนีเป็นอย่างที่พระพุทธเจ้า ว, ว่าจริงพุทธเจ้าไม่ได้บอกให้เชื่อบอกให้ไปทำตามนั้นนะพอลูกสนักวิ่งไปหลังบางแบกจอบตามข้าไปขุดเจอรับแปดสิบโกดอยู่นู่นเหรแ น, น่เห็นไมนี่คืออะไรคือความห่วงห่วงซั์ มีซับแล้วฝังไว้สมัยแต่ก่อนไม่มีธนาคารไม่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนอะไรมากมายฝังไว้มีซับแล้วก็ฝังไว้จิตมันห่วงจิตมันห่วงอะไรมันเกาะนั้นนะบางทีมันก็เป็นหอยทากบางทีมันก็เป็นจิ้งจบบางทีมันก็เป็นตัวอะไรที่ใหญ่หน่อยมันเพ่นพ่านเที่ยวไปเที่ยวมาอย่างน้อยๆคอยอได้ใกล้ใกล้เคียงเนี่ยใกล้เคียง นี่คือความความความละเอียดของจิตมันติดง่ายมันเกาะง่ายก็เหมือนพระติดสะพระติดสะที่ติดติดกับผ้านะฮะติดใจเรื่องผ้าได้ผ้ามาใหม่ได้ผ้ามาใหม่หมู่ก็ประชุมกันตัดเย็บย้อมอย่างดีผ้าเนื้อดีซะด้วยกะว่าจะอธิษฐานใช้วันพรุ่งนี้พอดีคืนนี้ป่วยตายตายไปแล้ว ไปเกิดเป็นตัวเล่นเกาะอยู่ในผ้านั้นเกิดเป็นตัวเล่นเนี่ยเห็นไหมขอให้ได้อยู่ด้วยโดยเหตุที่จิตมันเกาะเกาะอะไรเป็นอันนั้นนะอันนี้สําคัญอยู่นั้นนี่โอ้มีความสําคัญอยู่นั้นเรื่องจิตของเราเนี่ยเกาะก็คืออะไรอุปาทานไปจากอะไรไปจากตัณหามันพายชอบชอบแล้วก็เกาะชอบแล้วก็ยึดตายปุ๊บตอนนั้นเนี่ยก็ไปเป็นมีอะไรพอไปเกาะได้มันก็เป็นไปเกาะนนั้นแหละ บางทีก็เป็นวิญญาณเกาะอยู่นั้น่ะเป็นผีเป็นเปรตเป็นอะไรเฝ้าอยู่นั้นอบางทีก็ไปเข้าสิงในตัวสัตว์เนแล้วก็เฝ้าอยู่นั้นน่ะเป็นงูเป็นหนูเป็นพังพรอนเป็นอะไรอย่างนั้นน่ะวิ่งไปวิ่งมาเฝ้าอยู่ในนั้นแหละโตทยะพรามโตทยะมานพหลังจากพระพุทธเจ้าบอกแล้วเป็นจริงอย่างนั้นทุกอย่างกลายเป็นโชคดีของโตทยะมานพพ่อไม่เคยจับใจใช้สอยทาบุญเลย โตทยามานพเนี่ยด้วยความเลื่อมใสศรัทธาเนะี่ยโอ้ยไปทำบุญกับพระพุทธเจ้าหายห่วงเลยเนะี่ยถ้าเป็นเราจะเป็นยังไงใช่ไหมถ้าเป็นเราโอ้พ่อเราฝังรับไว้ทั้งแปดสิบโกด พ, พ่อสิพอสิ้นไปแล้วเหลือรับเหล่านี้รู้ได้เพราะพระพุทธเจ้าท่านบอกก็ทําบุญให้ทางท่านมาตลอดแน่กลายเป็นลูกเป็นผู้โชคดี ได้ทำบุญให้ทานกับพระพุทธเจ้าพระติดสะนะพระติดสะตายแล้วไปเกิดเป็นเลนเกาะอยู่ในผ้าเสร็จ แ, แล้วส ง, สงก็บอกกันว่าจะยกผ้าผืนนี้ให้กับใครกับใครกับใครแต่มันมีเลนวิ่งวิ่งอยู่ในผ้านั่นแหละเสียดายผ้าห่วงผ้า เสียงทิปของเลนน์มันไปเข้าพระโสดของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยทรงตรัสมาว่าพวกเธอทั้งหลายอย่าเพิ่งแจกผ้าพระติสสะตายแล้วไปเกิดเป็นเลนอยู่ในนั้นอย่าเพิ่งแจกเหลือทิ้งไว้ก่อนสักเจ็ดวันพอทิ้งเจ็ดวันแล้วเลนเลนตายมีอายุแค่เจ็ดวันพอเลนตายไปแล้วเห็นไหมมันมาเกาะ อ, อยู่เป็นเลนซะก่อนมีบุญมีอ น, นิสง์อะไรยังไงถึงจะไปเกิดเป็นเทวบุตรเป็นเท ว, เเท ว, วดา หรือเป็นอะไรชั้นไหนกันแล้วแต่จะไปเกิดตามหลัง อ, อุศลมันมาบังซะก่อนกว่าจะไปเกิดตามกุศลได้นี่คือปฏิสัมเลนมีอายุแค่เจ็ดวันนี่คือความยึดความเกาะของตันหามันเกิดขึ้นโดยลำดับยังไงเรื่องปัจจัยากานี้เราผูเราต้องดูเพราะอันนี้เป็นหลักมาก เป็นหลักและหลักอันนี้มันไม่อยู่ที่ไหนไมันอยู่ที่เราเี่นอย่างตาตาเรามีตาเห็นรูปอ่เกิดความยินดีอเกิดความยินดีเป็นสุขเวทนาเกิดความยินร้ายเป็นทุกขเวทนามันมันเกาะแล้วนะ่ะมันเกาะแล้วตัณหามันพาเกาะแล้วเกาะคือดีก็มันก็ยินดีไม่ดีก็คือมันยินร้ายนั่นทั้งยินดีทั้งยินร้ายนั่นนะคือพิษสงของตัณหาแล้วนะ่ะ เมื่อเกิดตันหาเมื่อมีตันหาแล้วก็ไมีอยู่ปาฏานตามมาโดยอัตโนมัติเมื่อมีปาฏิหารมีภพมีชาติจะต้องไปเกิดตามนั้นนี่ความเป็นไปของจิตจิตมันเกาะมันสนใจกับอะไรมันเกาะอันนั้นนะเราเคยฟังประวัติหลวงปู่โชตินะหลวงปู่โชติเมื่อชาติก่อนนะท่านเป็นท่านชื่อในอะไรนะในเล็งในเล็ง น้องสาวชื่อเหรียญน้องสาวชื่อเหรียญในเล้งในเล้งตายหลังจากตายไปแล้ววิญญาณล่องลอยไปคิดถึงน้องสาวว่าน้องสาวคลอดลกูกน้องสาวคลอดบุตรนะเลยวิญญาณของในเล้งเลยลอยไปลอยไปลอยไปไปเยี่ยมน้องสาวพอไปเยี่ยมน้องสาวก็เห็นลูกน้องสาวเห็นหลานหะนอนอยู่คงจะมีความชอบใจพอใจ หมดความรู้สึกอยู่ตรงนั้นเลยนะมารู้อีกทีหนึ่งโตขึ้นมารู้เลียงสาภาวะนี่คืออะไรสนใจชอบใจเกาะทันทีนี่คือจิตนะแล้วทาไงเวลาเวลาใกล้จะตายทําไมเราจะไม่ห่วงนู้นไม่ห่วงนี้ห่วงอะไรไปเป็นอันนั้นนะห่วงอะไรนิดๆหน่อยๆที่มันหลงเหลืออยู่ตรง อยู่ตรงนี้เนี่ยไปเป็นอะไรไม่เป็นเป็นจิ้งจกเป็นตุ๊กแกเป็นหอยทากขึ้นลงขึ้นลงเฝ้าอย่างนั้นแหละเนี่ยลุกลูกผูโ ช, ชดเนี่ยตอนหลังมาท่านบวชบวชได้เป็นมหาเปรียนจนได้เป็นเจ้าคุณชั้นเทพนะไปครองอยู่วัดวัดชราลงกรพระราชนีเลื่อมใสสถามา เรื่องการจําชาติได้เนี่ยท่านไม่ไม่พูดพูดพูดแต่สมัยตะก่อนนะ่ยพูดถ้าลูกคนไหนโตขึ้นมาแล้วจําชาติได้พูดพูดพรพูดคนเท่าคนแก่เขาจะตีเขาไม่พูดเขากลัวอายุสั้นจากนั้นมาท่านก็เลยไม่พูดอะไรเลยอยู่มาจนบวชบวชเป็นพระมีตําแหน่งสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นว่ามีอยู่มีอยู่คราวหนึ่งว่าสมเด็จกรมยานวิชรยานาวงเรื่องอะไรเนี่ยว่าให้ เอาใครเคยมีประสบการณ์เรื่องจำชาติได้บ้างอย่างงั้นอย่างงี้เอา้าลุงปู่ช่อเลยเล่ามาลุงปู่โช่อเลยเล่ามาเล่ามาเป็นตุกเป็นต่ายอย่างนี้แหละนี่เป็นประจักษ์พยานว่าวิญญาณของเราเนี่ยละเอียดอ่อนความดีใจความเสียใจถ้าความดีใจความปลื้มปีติความยินดีเสร็จแล้วมีขณะอาสันกรรม อะไรที่จะเป็นเหตุให้เราได้ไปสู่ที่ที่สุขติก็จะเป็นเหตุให้เราได้ไปสู่สุกตถิถ้าเพอถ้าเอเสียใจเสียใจขัดข้องหมองใจไม่สุดวกสบายเนีอไปสู่ที่ชั่วกันแล้วเพราะในใจของเราน ม, มันมีทั้งวิบากชั่วมันมีทั้งวิบากดีเพราะฉะนั้นอาสนกรรมกรรมจวนเจียนใกล้จะขาดใจจึงสำคัญที่สุด แล้วเราไปตั้งใจทําตอนนั้นก็ไม่ได้นะตั้งใจทําเอาตอนนั้นไม่ได้ถ้าเราไม่สั่งสมเอาไว้ก็เหมือนอย่างที่เคยได้ยินพระเล่าให้ฟังะอ่ากับคนใกล้จะตายเขาให้ภาวนาะอะรหังอะรหังเพื่อจะไม่ได้ไปที่ต่ำให้ไปที่สูงสูง <c ười> มันไม่เคยภาวนาเคยไปหาเต๋หอยอระหอยอรหอยเฮ้ <c ười> พวกเราได้เปรียบไหม ที่พเราทำที่พวกเราได้เปรียบคนที่ไม่เคยทำเลยเวลาจวนเกียนใกล้จะตายเขาบอกโถ oh, นิสัยมนุษย์มันฝึกได้ง่ายปบบนั้นบอกมันไม่ได้ง่ายแบบนั้นเราวรียนเรา ร, รู้รู้รรอยู่เนี่ยก <laughs> ำลังวังชาขนาดนี้เราพยายามอดทนต่อสู้ฝ่าฝืนขนาดนี้ยังรั้งกันไปรั้งกันมาดึงกันไปดึงกันมายื้อกันไปยื้อกันมามันง่ายที่ไหน ตัณหาอยู่ในหัวใจของเรามนันรุนแรงทีงนี้ก็สะท้อนให้พวกเราได้ระมัดระวังเรื่องเหล่านี้ด้วยเพราะความตายดักรออยู่ข้างหน้าทุกคนไม่ว่าเราไม่ว่าท่านไม่ว่าหนุ่มไม่ว่าสาวไม่ว่า เ, เพศใดไม่ว่าวัยใดดักรอยอยู่หมดไม่ใช่ต้องอายุเก้าสิบขึ้นไปถึงจะตายได้ยังไม่ถึงก็ตายได้ เจ็บไข้ใดป่วยสารพัดที่มันจะเป็นอยู่ๆก็ความดันขึ้นสมองเลือดแตกในสมองเนี่ยปุ๊บปั๊บไปแล้วปุ๊บปั๊บไปแล้วไม่รู้เจ็บไข้ใดป่วยอะไรบ้างความเป็นอยู่จึงมีความจําเป็นกับกับหมอกับอยู่กับยาพอใหเราได้ประคับประคลองเอาอัตภาพร่างกายนี้ใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่า เมื่ออยู่ดีมีสุขวุ่นพีแข็งแรงเอามาทําให้เกิดประโยชน์เราจะไปประคับประคองหวงถนอมขนาดไหนก็ตามอัตภาพร่างกายของไครก็เหมือนกันนั่นแหละไม่ใช่ว่าสิ่งนี้จะกลายเป็นทองไม่สิ่งนี้จะกลายเป็นแท่งทองขึ้นมาให้กับเราก็คืออัตภาพร่างกายเนี่ยเปื่อยเน่าเฟะเหม็นคลุ้งอยู่นี่แหละ เหมือนกันหมดเราดูแล้วเกิดความสลดใจสังเวชใจมากดูศพคนตายโอ้สมัยที่มีชีวิตอยู่เนาะมีอำนาจมีวาสนามีศักดิ์ศรีมีอำนาจมีเงินมีทองมีนุ่นมีนี่มีสักว์มีตำแหน่งมีหน้าที่ใหญ่ๆโตๆตายแล้วเนาะ นอนอยู่ยังไงก็อยู่อย่างงั้นน่ะตาอยู่ยังไงก็อยู่อย่างงั้นน่ะกระดกกระดิกดูไปสลดสังเวชโอ้ช่วยจัดการเราด้วยเนอะช่วยเผาศพเราด้วยเนอะโอ้สลดสลดสังเวชใจจริงๆกับรากศพของคนตายคือมันเกิดสลดในใจขึ้นมาทันทีเลยนะโอ้คนเราตายแล้วไม่มีะไรเหลือเนะ ไม่มีอำนาจอะไรเลยแล้วถ้าเขาจะเอาไปเผาไปฝังทิ้งไว้ยังไงก็อยู่อย่างงั้นสมัยพุทธกาลเอาไปทิ้งป่าช้าผีดิบเนี้ยเริ่มเน่าเริ่มเปื่อยเริ่มหลุดเริ่มร่วงสมัยแต่ก่อนแรงตามเยอะพวกนี้ก็ไปยือยปปปปอปย้อแย่งไปจัดไปกัดไปฉีกสุนัขบ้านสุนัขป่าหมาจงหมาจอกไปยื้อแย่งฉีกกินเนื้อกินกระดูก แทะทึ่งกันอยู่นั่นฉะนั้นไอ้สิ่งไอ้สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือแมลงวันหนอนจาะโยเยยุกยั บ, ย บ, ย บ, ยบเต็มไปหมดดูให้สลดโอ้อัตภาพร่างกายเนอะน่าสังเวชเนอะน่าสลดใจจริงเนอะเราดูแล้วเราพิจารณาอย่างนี้ได้ทำเกิดความเป็นธรรมเนี่ยเพราะฉะนั้นพระเจ้าท่านจึงให้ไปเยี่ยมป่าชา ไปดูป่าช้ามันได้ได้อัดได้ทําได้ความไม่ประมาทเอาความรู้ความเผินเหล่านั้นมาเตือนตนเองใครเคยดูคนคนตายศพคนตายเนี่ยไปดูแล้วพิจารณาพิจารณายัางงี้จะเกิดความสลดสังเวชขึ้นมาทันทีแล้วก็มาสมมุติดูตัวเราบ้างอ๋อเราตายเนอเราก็จะนอนแอ่งแม่งอยู่ยนี่เนาะแล้วใครแล้วแต่ใครเขาจะเมตตาเขาจะสงสาร ก็จะยกเอาไปเผาเอาไปฝังเอาไปนุ่นไปนี้ไปอะไรแล้วแต่แล้วแต่เขาจะทำให้นอ้อวิญญาณเขาไปแล้วทำดีก็ไปสู่ที่ดีแล้วทำไม่ดีก็ไปสู่ที่ชั่วแล้วหลือลทราบดูแล้วน่าสงสารทั้งหมดเลยไม่ว่าคนชั้นไหนระดับไหนคนสูงคนต่าเกิด ค, ความสลดใจอย่าลืมนะเราไปดูสิ่งเหล่านี้เราได้เราได้อัดได้ทำเราพิจารณาอย่างนี้ เนี่ยวัยวันี้เราได้ยืนดูศพครูบาอาจารย์เกิดความสลดใจขึ้นมาทันทีเลยโอ้ครูบาอาจารย์เวลามีชีวิตอยู่ลูกศิษย์ลูกผาห้อมล้อ ม, อมเต็มไปหมดมีนุ่นมีนี่ดูแลป ร, ป, ร ป, รประคั บ, ป ร, คบประคองพอหมดลงไม้ใจโอ้แลยแต่เขาจะจับให้นอนอยังไงจะพลิกจะเปลี่ยนจะอะไรอะไรยังไงดูหน้าดูตาโอ้หน้าสลดใจหน้าสังเวชใจเนอะอัตภาพร่างกายของเราของท่านยืนพิจารณา ได้ผลนะได้ความซึ้งใจได้ความได้อัดได้ทาได้ปฏิกูลสัญญาได้สังเวชสัญญาติดติดจิตจิ ต, ตใจของเราต้องเจอแหละยิงพวกหมอเลยแล้วเนี่ยเจอบ่อยมากเรื่องคนเป็นเรื่องคนตายคนเป็นหมอก็เจอคนเก็บคนป่วยหมอก็เจอ คนตายหมอก็เจอพาตัดจำและเจอถ้ามีความนึกคิดใข้เครคนืนแบบที่ว่านี่ได้ประโยชน์ได้ประโยชน์มากทีเดียวได้ประโยชน์ในทางธรรมอย่างน้นพุทธิจาท่านจะสอนหอให้ไปพิจารณาปาชาพิจารณาซากศพที่เน่าที่เปือ่อยแรงกาจิกกินกระุ่งกระริ่งเหลือแต่ เส้นเอ็นรัดกระดูกเส้นเอ็นหลุดร่วงไปแล้วกระดูกก็เริ่มกระจัดกระจายวันคืนร่วงไปถูกฝนถูกแดดกระดูกเหล่านั้นก็เริ่มผุเริ่มพังเริ่มเปื่อยเปื่อยยุ่ยไปในที่สุดก็เป็นลมเป็นดินเป็นอะไรไปหมดในที่สุดท่านดูให้เห็นหลักธรรมชาติโอ้หลักธรรมชาติที่แท้จริงคืออันนี้เป็นอันนี้ มีใครทําให้สิ่งนี้เขามีดีกว่านี้มีไหมไม่มีตกอยู่ในภาวะอันเดียวกันหมดเพราะเหตุปัจจัยมันส่งมาอย่างนั้นเหตุปัจจัยมันมีมาอย่างนั้นอเหตุปัจจัยมีอย่างนั้นความไม่เที่ยงของเขาเพราะเหตุปัจจัยไม่เที่ยงส่งมาแล้วเหตุปัจจัยไม่คองทนเพราะเหตุปัจจัยไม่มคองทนส่งเรามาแล้วเหตุปัจจัยทําให้เรายึด ไม่ได้ถือไม่ได้เพราะเหตุปัจจัยมันส่งเรามาแล้วนี่อ น, นิจจังทุกขังอนัตตาหลักอันนี้พระพุทธเจ้าท่านเห็นคนในโลกนี้ไม่มีใครเห็นพระพุทธเจ้าเห็นพระปัจเจคพุทธะเห็นพระอริยสาวกท่านเห็นมันละเอียดมากเราเดินยืนนั่งนอนเหยียบย่ําอยู่บนบนกองนี่แหละแต่เราไม่เห็น เราไม่มีปัญญาแล้วไม่ ม, ม, ญญว ม, มวีวิชาที่จะมาพิจารณาให้เกิดความรู้เกิดความเผิดยืนเดินด น, นั่งนอนทับสิ่งเหล่านี้ทับสัจธรรมสัจธรรมนี้มีอยู่ประจำโลกพระพุทธเจ้าม า, าบัตรเมื่อไหร่ท่านก็มาาบัตเพราะสัจธรรมเหล่านี้ธรรมะมีอยู่ดั้งเดิมในโลกแต่คนที่จะมารู้มาเข้าใจสิ่งเหล่านี้ จะต้องเป็นผู้มีบุญมีบารมีสังสมอบรมมาอ้าวพุทธสภพเถระได้เวลาสองทุ่มทำวัดสวดมนต์นะต่อไปนี้ทำวัดสวดมนต์ <c oughs> พัดลมนี่ดังดีเนาะพัดลมเครื่องนี้ดังดี